เรื่องอายุวัฒนกุมารพระสัสดาเมื่อทรงอาศัยนครทีคาลามพิกะประทับอยู่ในกระท่อมกุดีในปา่าทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืนได้ยินว่าพรามสองคนชาวทีคาลามพิกะนครบวชในละทิภายนอกบำเพ็ญตบะสิ้นส8ิบปปีคนหนึ่งคิดจักศึก ศึกแล้วได้พัญญาพร้อมด้วยโคหนึ่งรอตัวและซาบหนึ่งร้อย100กหาปณะครั้งนั้นพัญญาคลอดบุตรหนึ่งคนส่วนสหายไปสู่ต่างถิน่นแล้วก็กลับมาสู่นครนั้นจึงได้พาพัญญาและบุตรไปเยี่ยมเขาและพัญญาไหว้แล้วสหายกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนส่วนพอบุตรไหว้แล้วสหายกลับนิ่งและกล่าวว่า เด็กคนนี้จะมีอายุได้เจ็ดวันถ้ามีความรักในบุตรจงไปสำนักพระสมณโคดมเถิดพราหมณ์และพัญญาพาบุตรไปเฝ้าพระศ ส, สดาเขาและพัญญาว้พระสัสดาทรงตรัสท่านจงมีอายุยืนแต่เวลาที่บุตรไหว้ได้ทรงนิ่งเสียเขาทูลถามพระสาสดาแม้โดยในยักก่อนนั่นแลแม้พระสาสดาก็ทรงพยากรแก่เขาอย่างนั้นเหมือนกัน พระสัสดาตรัสบอกอุบายป้องกันท่านพึงอาจเพื่อทำบนดกใกล้ประตูเรือนของตนให้ทำต่างไว้ตรงกลางบนดกนั้นปูอาสนะไว้8ดหรือส6ที่ล้อมรอบต่างนั้นให้สาวกของเรานั่งบนอาสนะเหล่านั้นให้ทำพระปริริษเจ็ดวันอันตรายของเด็กนั้นพึงเสื่อมไปด้วยอุบายอย่างนี้พรามได้ฟังกลับไปทาตามพระศ ส, สดาทุกประการ พระศัสดาส่งภิกษุทั้งหลายไปนั่งในบนดบนั้นให้เด็กนอนบนตังแล้ภิกษุทั้งหลายสวดพระปริษฐ์เจ็ดคืนเจวันไม่มีเว้นว่างในวันที่เจพระศัสดาสเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อพระศาสดาสเสด็จพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นประชุมกันแล้วครั้งนั้นอวรุา ธ, ธกายักษ์ตนหนึ่งบำรุงเท้าเวสุวรรณสิสองปี ได้รับอ้อนว่าในวันที่เจ็ดจากวันนี้ท่านพึงจับเอาเด็กนี้เพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นได้มายืนอยู่เมื่อพระศัสดาเส ด, สด็จไปในมนดบนั้นพวกเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่ประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักย์น้อยถดถอยไปไม่ได้โอกาสหลีกไปตลอดส2องโยชถึงอววรุทธกยักษ์ก็ได้หลีกห่างออกไปยืนอย่างนั้นเหมือนกัน แม้พระศาสดาได้ทรงทมพระปริษตลอดคืนยันรุ่งเมื่อเจ็ดวันล่วงแล้วอวรุตกะยักษ์ไม่ได้เด็กในวันที่แปดเมื่ออรุณขึ้นเท่านั้นสองสามีพัญญานำเด็กมาถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดตรัสว่าเด็กนี้จะดำรงอยู่นานหนึ่งร้ยี่สิบปีลำดับนั้นสามีพัญญาขนานนามเด็กนั้นว่า อายุวัฒนกุ ม, มารครั้นเติบโตแล้วอันอุบาสกห้าร้อยคนแวดล้อมเที่ยวไปพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ก็สัตว์เหล่านี้ไหว้ท่านผู้มีพระคุณย่อมเจริญด้วยเหตุสีประการพ้นจากอันตรายดำรงอยู่จนตลอดอายุทีเดียวทรงตรัสพระคาถาว่า ธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติย่อมกราบไหว้ผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิสสำหรับพระคถานี้ก็มักจะเป็นคำที่พระสวดให้พรเวลาพวกเราไปทำบุญนะครับถ้าหากแปลได้เข้าใจความหมายก็จะรู้ว่าเป็นการสอนธรรมะอย่างหนึ่งเป็นการพูดถึงความจริงของหลักธรรมว่า ผู้ที่มีจิตอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้ย่อมมีแต่ความเจริญนั่นเองบาลีในกถานี้ก็คืออภิวาธนาศีลิสนิจจังวุตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุ ข, ขังพลังในการจบเทศนาอายุวัฒนกุมารตั้งอยู่ในโสดาปติพนพร้อมกับอุบาสกห้าร้อแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น